คืออาหารที่บุคคลพึงดื่มพึงลิ้มพึงชิมเข้าไปแต่พอถึงนั่นจิตใจถ้าเน้นไปที่ผัสสะเที่วผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะที่เกิดขึ้นจากการกระทบของอายตนะภายในภายนอกมีตาหเห็นรูปเป็นต้นซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าพวกก็ํำผลมาให้ทุกทีหเห็นรูปรู้สึกพอใจไม่พอใจ ถ้าพอใจก็นำสุขมาให้ถ้าไม่พอใจก็นาทุกข์มาให้พอใจมากพอใจน้อยก็เป็นตัวกอ่อให้เกิดสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยนี่เป็นการศึกษาในแง่ของเหตุปัจจัยเดี๋ยวก็สาวลึกลงไปจดปองในแง่ของปัจจัยลักซึ่งจะกล่าวในโอกาสติดอายตนะสิบสอง คืแสดงว่าอายตนะทั้งภายในภายนอกนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งหมดมันอยู่ที่การใช้การดูกันใจปัญญาพีนิพพิจนาอายตนะสิบสองก็คืออยู่ที่ตัวคนแต่ละคนนั่นเองท่านเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกภายในก็หมายความว่าอยู่ในตัวเราภายนอกก็อยู่ที่คนอื่น ในขณะเดียวกันเราก็เป็นภายนอกของบุคคลอื่นและคนอื่นก็เป็นภายนอกของเราทังนั้นจึงบอกว่าอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เช่นนายกับนายขอรูปเสียงกลิ่นรสของนายกก็เป็นอายตนะภายนอกของนายขอแต่ขณะเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสของนายขอมันก็เป็นอายตนะภายนอกของนายกอ ก็คือทั้นทงนี้ขึ้นอยู่กับพูดกันในจุดใดอญญายตาะภายในภายนอกแต่และข้อก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทันี้เพื่สังเกตว่าองค์ธรรมที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนากับสมถะนั้นที่จริงก็เหมือนกันเพียงแต่สลับที่กันหน่อยเท่านั้นเององค์ธรรมหลักก็คือความเพียรสติสมัญญาหรือปัญญา เวลาปฏิบัติสมถะกรรมาฐานเราเน้นที่ความส ง, งบเพราะงั้นสติก็ต้องเป็นตัวนำสัมปชัญญะหรือปัญญาเป็นตัวอุปธรรมสนับสนุนและความเพียรก็เป็นแรงผลักดันแต่พอถึงวิปัสสนานั้นต้องการใช้ปัญญาเป็นิพิจนาเนื่องจากเป็นกรรมาฐานแนวที่ลืมตาดูเมื่อดูแล้วอาจจะหลับตาคิด ในสิ่งที่ตัวดูมาแล้วก็ได้แต่ว่าในตอนแรกก็ต้องลืมตาดูเพื่อให้เห็นถึงความจริงของสิ่งนั้นๆเพราะปัญญาจึงต้องแหลมคมมากถ้าไม่งั้นไปขจัดโมหะไม่ได้เพราะเราหลงมานานแล้วอย่างที่บอกว่าหลงว่าไม่สวยหลงว่าสวยว่า ง, งามหลงว่าเที่ยงแท้หลงว่าเป็นสุขหลงว่าเป็นตัวตนคือ เ, เราหลงมานานก็ทํานองคล้ายๆกับเหล็กมีสนิมจับเขือนไปหมดมันต้องขัดกันนานหน่อย มันสิ่งเดียวมาขัดมันก็ต้องมีความแข็งแกร่งพอสมควรไดันงนั้ น, นขาดไม่ออกการขุดเรากิเลสในรัพกาศศาสนาก็มี็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นปัญญาที่นำจะต้องเข้มข้นไปตามสมควรเพื่อจะพิจารณาเห็นตามความจริงในประตรยลักษ์คือสิ่งเหล่านี้ก็ตกอยู่ในกฎของประตรลักษ์ตรลงมีข า, น า, านาญาตาสิบสองมีธาตุสิบแปด ถ้สิบแปดนั้นที่จริงถ้าเราเข้าใจธรรมะมันก็ไม่มีอะไรมากคืออยตนาภายใน 6, ยัหกอายตนาภายนอกหกและ ว, วิญญาณหกวิญญาณก็คือรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมกูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายรู้ธรรมารมทางใจท้าเรียกว่าจากักปุวิญญาณเป็นต้นก็แสดงว่าอายตนาภายในภายนอกนั้นบางอย่างท่านเรียกว่าพลาดมาโอกาสท่านเรียกว่าพลาด ได้ประกอบกับวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณธาตุอินทรีย์2ี่สิบสองอินทรีย์ี่สองนั้นเป็นกุศลก็มีเป็นกลางกลางก็มีเช่นว่าความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความมีชีวิตมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนาได้นะครับพิจารณาหเห็นแจ้งตามความเป็นจริงได้หรือความสุข ความทุกโสมนัตโทมนัตอุเบกขาก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพวกนี้ก็คือวิเวทนาในขา้นถานั้นเองแต่ในช่วงนี้ก็ออกมาพิจารณาพิจารณาเพื่อเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามพระไตรลักษณ์ตอนนี้เป็นเพราะอะไรพระใจเราจะขึ้นขึ้ น, นลงลงพราะเวทนาเนี่ยสร้างความขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่มากเวทสุข ใจก็ฟูขึ้นเวลาทุกข์ใจก็ฟุบลงเวลาโสมนัิใจก็ฟูขึ้นเวลาโทมนัสใจก็ฟุบลงเวลาอุเบกขาใจก็ค่อยๆอยู่ ก, กลางๆหน่อยแต่ตามปกติคนอุเบกหากันไม่ค่อยเป็นอุเบกขาพูดง่ายแต่ปฏิบัติยากเพราะว่าในชีวิตประจำวันของบุคคล น, นั้นได้แบกหามอิกิเลชสายโลภะโทสะไว้บ้าง การเบิกขาจึงวางใจเป็นกลางได้ยากเพราะคนบางคนเราไม่ชอบกันเลยบางคนเราชอบกันมากชีวิตคนส่วนใหญ่การดํารงชีวิตส่วนใหญ่จึงเฉไปในด้านอาคติแต่คนเราชอบเราก็มีฉันทากติคนเราไม่ชอบเราก็มีโทสากติคนเรากลัวเราก็มีพยากติบางเรื่องเราไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องผสมโรงกับเขาด้วยก็กลายเป็นโมหคติเกิดใจมันก็เวียงอย่างนั้นเพราะว่านิ่งๆจะไป ปลูกเราความรู้สึกเหล่านั้นออกมันก็ทำไม่ได้ง่ายๆแต่นั้นท่านก็สอนให้บุคคลมองในแง่ความจริงไว้เรื่อยๆแล้วแม้แต่ในชีวิตประจำวันเพืสังเกตว่าไม่ใช่วิปัสนาแล้วจะต้องเข้าป่าสละทอดจิ้งบ้านเรือนแตงข่าของเข้าไปอยู่ในป่าไม่ใช่อย่างงั้นคือพยายามมองให้มันชัดๆแม้ในชั้นของการดารงชีวิตอยู่เนี่ย หรือถ้าเราเห็นว่าไอ้สุขทุกข์นี่ที่จริงมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้เพราะั้นเวลาสุขก็ไม่ต้องเพลินมากเท่าไหร่แล้วประเดี๋ยวมันก็หายไปทุกข์ก็ไม่ต้องไปกลุ้มมากเท่าไหร่ประเดี๋ยวมันก็หายไปเองแ่ะมันก็เกิดเกิดขึ้นขึ้นลงลงกันเดี๋ยวอย่างนี้แหละเหมือนกับอากาศหรือบางทีก็เหมือนกับตลาดหุ้นมันก็คือคือขึ้นขึ้นลงลงกันเราก็มองให้เห็นอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ไม่ควรจะเพลิดเพลินไม มันลงได้มันก็ขึ้นได้ขึ้นได้มันก็ลงได้แต่มองระยะสันส้นๆจนช่วงยาวๆจนถึงชีวิตเรามันก็เหมือนกันเดียวขึ้นขึ้ น, นลงลงก็ช่วยให้อย่างน้อยเวลาสุขเราก็ไม่เหลืองลงระเริงเพลิดเพลินเกินไปเวลาทุกข์ก็ไม่ถึงกับหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่ยอมสู้กับปัญหาชีวิตแล้วเพราะแท้จริงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุปัจจัยข้ามั นี่แสดงว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของเวทนาคือเราก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้กลุ่มที่กล่าวแล้วก็เป็นกลุ่มกลางๆคือความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความมีชีวิตก็เป็นเรื่องกลางๆแต่บางอย่างก็กุศลธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้คืออินทรีย์ทั้งห้าประการได้แก่ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกไดสมาธิความตั้งใจบ้านปัญญาความรอบรู้ก็เป็นอินทรีย์ เป็นอินทรีย์ที่บุคคลสามารถมองให้เห็นในแนวของปัจจัยลักณ์ได้เอาดูตัวอย่างง่ายๆดูความเพี่ยนดูความเพี่ยนพยายามยกตัวอย่างความเพี่ยนพยายามในการฟังธรรมะขนาดนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตอนตอน้ตนๆนั้นอาจจะเกิดชั้นทะสูงวิริยะสูงจิตตะสูงวิมังสาสูง ฟัง ม, มานานร่วมชั่วโมงชักเมื่อยความเพียรก็ชักจะถอยก็แสดงว่าความเพียรนี้ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกันมาดูที่ตัวศรัท ธ, ธาก็เออศรัทธานี้มันก็ขึ้น ข, นขนลงลงเหมือนกันหรือมาดูที่สตินั่นก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยเราคุมแก่ไม่ได้ ยิ่งสมาธิยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าแกไม่เชี่ยงเดี๋ยวบังคับแกไม่ได้พอเกิดสมาธิหน่อยต้องการประคองให้จิตมันอยู่เป็นสมาธิได้นานๆเอาแวบหายไปรับอารมณ์ข้างนอกเสร็แล้วกว่าจะกระตุกกลับมาได้ต้องต่อสู้กันนานบางทีเรียกไม่กลับเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาของสรรพสิ่งท่า น, นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจึง แี่ได้รุปรวมเป็นนามารูปนามรูปนั้ น, นมันปนปนกันไปจะเป็นกุศลหรืออกุศล ก, ก็ได้กลางๆก็ได้อินทรีย์พวกหนึ่งอีกสามประการนั้นที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของคุณธรรมกุศลที่ระดับประโสดาบันกินไปอินทรีย์ยี่สิองอริยสัจทั้งสประการคืออริยสัจแต่ละข้อนั่นเองบุคคลก็นำมาพิจารณาได้ เป็นตัวเจริญในปัชนาได้อยู่ตรงไหนก็ได้เช่นสมมติเราทุกข์สัตย์เราก็เอามาได้ทุกตัวเอาชาติความเกิดเอาชาราความแก่มรณะความตายโสกะความโศกปริเทวะความร่ําไรรําพันทุกขะความทุกข์กายโทปนัตความทุกข์ใจคือหยิบมาได้ทุกตัวจะเป็นอารมณ์ของวิปสัสสนาได้ทุกตัวคราวนี้ไปสังเกตเช่นพระพุทธเจ้าโศก มาสอนนางวิสาขานางวิสาขาทั้งๆที่ท่านเป็นประสูดาบันแต่ทั้งก็รากการมาราคะยังไม่ขาดเพราะงั้นยังมีความเยื่อใยอะไรในคนในสัต ว, าาอ ว, อว์อันเป็นที่รักอยู่ก็ร้องห่มร้องไห้มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามมาร้องไห้ทําไมวิสาขาท่านบอกว่าหลานชายอันเป็นที่รักตายลงพะเจ้ารับสั่งถามมาเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนนะท่านบอกว่าแม้่าน คนทุกคนในเมืองสาวัตถีนี่เป็นหลานก็หอมฉันทั้งหมดก็ดีหรอกอยากได้หลานทั้งเมืองเลยพระเจ้ารัศสารถามเออคนในเมืองสาวัตถีนี่เขาตายกันวันทั้งกี่คนท่านก็บอกว่าก็ตายทุกวันนะวันเก้าวคนสิบคนยี่สิบคนสามสิบค น, คนวันที่คนไม่ตายไม่มีเลยพระเจ้ารัศสารถามเอาถ้าหลานเธอมีทั้งเมืองแสดงว่าเธอต้องร้องไห้ทุกวันเนี้ําตาก็ไม่ต้องแห้งกัน มีแสดงเห็นว่าตัวโศกคือความโศกที่เกิดขึ้นกัดกร่อนใจนั่นเองพระเจ้าก็เอามาสอนให้เป็นวิปัสสนาและคนเข้าใจความความจริงแห่งชีวิตได้หรือเอาปีแยวิปโยคคือการพรพรากจากคนสัตว์นันเป็นที่รักมาสอนนางประตาจาราหรือว่านางกีสาโคตมีที่พร่พรากจากคนเป็นที่รักมากมาย คือถ้าดูว่ามันเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้ทุกข้อเราจะเอาตอนไหนก็ได้เอาพิจารณาแล้วถ้ามองเห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์และความเห็นเหล่านั้นสามารถลดตัหณหามนติฐิลงไปได้จะในระดับใดก็ตามก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของวิปัสนาแต่ปริมาณความเข้มข้นของวิปัสนานั้นก็ต้องแตกต่างกันไป จนมาถึงอริยสัจสี่ข้อสมุดไทยเราอาจจะหยิบตัณหามาตัวหนึ่งคือตัณหาที่เกิดที่จิต ด, ดูในขณะนั้นแหละตัณหาที่มันเกิดสมมติว่าการมาตนาเกิดจากใต้นั้นอยากได้นี้เราก็จะเห็นกระแสของตัณหาที่มันไหลไปมันจะกําหนดสิงส่งสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สวยงามเรื่อยๆให้ลองสังเกตว่าถ้าเรามีเงินพอที่เขาให้ไปใช้จ่ายได้จริงๆขึ้นไปห้างสรรพสินค้าบอกเอาต้องการอะไรก็เอา เงินจ่ายไม่อั้นทุกอย่างมันจะสวยหมดเลยอยากได้กันใหญ่แล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยจะหากันอยู่ได้ทั้งวันจิงเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายแล้วก็เงินนี้ก็ไม่ให้แล้วจะจ่ายจนหมดเลยตัาไหล่ก็ได้นี้แสดงเห็นว่าตัณหามันก็สายไปเรื่อยแม้จะมีการกาหนดในแนวสวยงามก็กำหนดไปเรื่อย แสดงเห็นอะไรแสดงว่าไอ้ตันหาเองมันก็ไม่เที่ยงต้องการจะไปซื้อของอย่างหนึ่งในตลาดไปเจอของอีกอย่างหนึ่งก็อยากได้อีกแสดงเห็นตังความไม่เที่ยงของตันหาทีนี้พอไม่เที่ยงแกก็สร้างความทุกข์ให้เราแล้วก็เข้าในวงจรเดิมคือเข้าไปสู่ความวิปราชทั้งสี่ประการทังที่กล่าวแล้วแต่แม้แต่พวกนี้โรด ก็เราจะเห็นว่านิโรดนั่นเองพระพุทธเจ้าเอามาใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานคืออุปสมานุสติแต่ในตัวอุปสมานุสตินั่นเองอถ้ามองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงแปรปลัวมันก็เป็นวิปัสสนาและในสุดเราก็จะเข้าใจถึงความจริงในแง่นี้แล้วตัววิปัสสนานุสตินั่นเองคือในเชิงผลเราจะเห็นว่าก็คือว่างมันก็เป็นนัตตาในแง่ความหมายว่าศูนย์ อริยมรรคแต่ละข้อก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็เห็นกันได้ชัดว่าอาริยมรรคแต่ละข้อที่เกิดขึ้นเช่นสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นหรือสัมมาวาจาวาจาที่ไประอ่อนหวานสมมุติเราพูดคำสัตย์คำจริงแล้วจริงพูดไปพูดมาก็อดจะแฉลับไปในโกหกบ้างไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้สัจจะวาจาเองมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็เรื่อยไปจนถึงปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทนั้นเราอาจจะนับสิบเอ็ดหรือสิบสองก็ได้เพราะงั้นเวลาพูดถึงอารมณ์มิปัสสนาอาจจะพูดไปเจ็ดสิบเอ็ดหรือเจ็ดสิบสองเพราะถานับเป็นเจ็ดสิบสองนั้นเขานับทั้งชาติทั้งชาราและมรณะถ้านับเพียงสิบเอ็ดเขาก็ชาติคือชาราเอ๋มรณะมันก็คือการนะมันมาจากชารามาจากชาติก็ไม่นับอารมณ์ของปฏิจจสมุปบาท ทั้งส1บอหรือสิบสองประการมรั่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเกวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาจรามรณนะแต่และอย่างเนี่ยหยิบขึ้นมาพิจารณาในแนวของวิปัสสนากรรมฐานได้คือการมองแนววิปัสสนานั้น บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้บุคคลใช้ในโอกาสต่างๆคือการเริญมีปัสนาไม่ค่อยมีรูปแบบที่จริงสถานที่ไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาหนกหูไปบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราใช้ปัญญาใช้ความคิดให้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านั้นซึ่งบุคคลสามารถใช้ในยาบททั้งหลายนั่งอยู่ในรถก็ได้แทนที่จะไปลุ่มเรื่องอะไรก็มองสิ่งต่างๆในแง่ของใจลักใช่บ้าง เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆนั่นเป็นการเพิ่มเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเหตุผลสะสมไว้ภายในจิตใจของบุคคลดังนั้นจึงทรงใชค้คําว่าตาทะตาทะวิปัสสติเือบุคคลเห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆในขณะนั้นๆในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบางอย่างใ้เห็นว่าแม้เราจับไว้สักอย่างคือจับให้ได้จริงๆ จะยกตัวอย่างเราจับธรรมดาคือจับธรรมดาในคำเดียวท่านเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกน้าท่วมใหญ่ฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ที่จริงมันธรรมดาแต่คนที่เดือดร้อนเพราะไม่ยอมรับธรรมดาถ้าฝนตกขนาดหนักน้ำไม่ท่วมเลยเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันมั น, ม, นมันนอกจากธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าฝนตกใหญ่น้ําไม่ท่วมก็แสดงว่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นอกจากเราอยู่บนภูเขาหรือไม่ท่วมภูเขาแต่ก็ท่วมที่พื้นเพราะงั้นเราก็ใชาคําคำว่าธรรมดาคําเดียวเวลาคนก็โกรธ้็ด่าเรามันก็ธรรมดาคนโกรธก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็เป็นมาอย่างนั้นแหละพอคนโกรธก็กระดาบาั้งก็ทําอย่างงั้นอย่างนี้คนโลคจัดมาขโมยของอะไรของเรามันธรรมดาคนมันโลค มันก็อยากได้ล้นออกมามันก็เป็นร่วงละเมิดสิทธิผลประโยชน์คนอื่น ก, ก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนเท่าไรมาแหละเราจะเห็นว่าเราจับคําเดียวธรรมดาทั้งหมดเลยธรรมดาอบรมสัง่งสอนลูกลูกไม่เชื่อฟังธรรมดาเด็กมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราสมัยเป็นเด็กเราก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เหมือนกันเราอาจจะมองในแง่ของกรรม แล้วก็จับหลักได้ทั้งหมดคือใช้คำอยู่คำเดียวเลยคำว่าธรรมดาคําเดียวอะไรๆก็ธรรมดาหมดเลยโดยเวลาพระเจ้าสอนนั้สนสอนคําว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็ยอมรับในแง่ธรรมดาทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรอ่ะนั่งนานๆเข้าเมื่อยมันก็ธรรมดา ก็ไม่ใช่เพิ่งเมื่อยในเมื่อยในขณะนี้วันก่อนเเคยเมื่อยมาแล้วเมื่อยมาหลายครั้งแล้วธรรมดาเป็เป็นอย่างนั้นเองชีวิตเราก็ปรองใจได้เห็นไหมเราใช้คำเดียวแต่เองคำมาธรรมดาไปทุกคนทุกกางหรือว่าไม่แน่หรือไม่เที่ยงคือช่งเขาอะไรแต่ออไรเนี่ยคือสรุปว่าใช้คำอย่เพียงสักคำหนึ่งแต่ถือเอาจริงๆจังๆให้ได้ พาเป็นหลักคุ้มครองใจรักษาใจให้ได้ท่านแนววิปัสสนาเนี่ยอาจจะมองในแง่ธรรมดาหรือไม่แน่หรอกทําให้เราไม่ตั้งความหวังอะไรบ้างเกินไปเห็นสมมติว่าเราทํางานทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เรามีความคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นมันไม่แน่หรอกไอ้ไม่ไม่แน่นั้นเราปรับ ปรับใจได้ทุกอย่างคือบางอย่างเราอาจจะได้ไม่ได้อะไรเลยกขเตี้ยมไม่แล้วบอกไม่แน่บางทีได้สักครึ่งสักกึง่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเราปรับใจได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่แน่เพราะได้เต็มตามความปรารถนาะเราก็ไม่ประมาทเพราะมันไม่แน่หรอกพอได้แล้วแม้ข้าวจะเข้าปากบางทียังเข้าไปไม่ได้ไ เวลาประสบความสุขก็ถือเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็สุขทุกคนแหละพอทุกข์มันก็เรื่องธรรมดาเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็ทุกทุกคนแหละพอมาถึงธรรมดาสี่ข้อที่ว่ามาแล้วคือแก่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิน้นรนไปย้อมผมไปทําสัญญกรมรมพลาสติกอะไรถือว่าเรื่องธรรมดาพอเจ็บมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา เด็ปูดว่าปวดหัวปวดมากมันปวดหัวก็ปวดอย่างนี้แหละคนก็ก็ปวดกันมาทุกคนไม่จะปวดเฉพาะเราโรคมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละก็ถือในแง่ธรรมดาว่าเราไม่ยอมรับพัติของธรรมดาน้ําท่วมกรุงเทพฝนตกหนักน้ําเหนือบ่าน้ําทะเลหนุนฝ น, นตกหนักน้ําท่วมกรุงเทพดาผู้ว่ากทมไม่ใช่ท่วมวันนี้มันท่วมมาตั้งนานแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละ แต่ถ้าเรายอมรับความจริงมันกม็มีอะไรก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันกระจัดปัดเปล่าปัญหาแต่มันไม่ได้ท่วมอยู่ตลอดไปในสุดมันก็แห้งได้ชีวิตคนมันก็เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเรื่องของความสวยงามหรือไม่สวยงามเนี่ยเราก็เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องเหล่านี้ทุกวันเรียกว่าทุกขณะจิตโด้ทำไปถ้าวิปัสสนามีอยู่ภายในใจปลูกให้เกิดขึ้นอยู่ภายในใจได้ก็ทําให้รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลาย จาที่ท่านเล่าถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมองในแง่ดีแม่ชีชงกาแฟใส่เกลือให้ฉันท่านก็บอกว่าดีเหมือนกันกินกาแฟใส่น้ําตาลมานานแล้วกินกาแฟใส่เกลือใช่บ้างอา้าวหลังคารั่วท่านขึ้นไปมุงไม่ไหวท่านบอกว่าดีเหมือนกันกลางคืนได้มองดูดาวบ้างกุฏิรกท่านบอกว่าดีเหมือนกันไบริเวณวัดรกท่านบอกว่าดีเหมือนกันสัตว์มันจะได้อาศัยอยู่บ้าง ลูกศิษย์มาท้างให้ท่านบอกก็เออก็ดีเหมือนกันเวลาเดินไปไม่ต้องกลัวยุงมาไอ้งูมันจะากาัดเอาคือมองให้มันดีหมดเลยจนถึงก็มีคนมาจะฆ่าท่านท่านบอกเออก็ดีเหมือนกันฆ่าก็อยู่มานานแล้วตายสักทีก็ดีเหมือนกันคือสรุปว่ก็ปรับใจได้หมดแต่อันนี้ก็ปรงใจได้บอกถ้างั้นผมไม่ฆ่าหลวงพ่อเออไม่ฆ่าก็ดีเหมือนกันฉันจะอยู่ภาวน์วัดต่อไปคือสรุปว่าก็เอาได้ทั้งหมดเลย ฆ่าก็ดีอีกแบบหนึ่งไม่ฆ่าก็ดีแบบหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งสองอย่างไม่เปลิดเพลินประการอยู่แล้วไม่ต้องทุกข์เระการจากไปเป็นการทําใจใถึงจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าคือมันเป็นคุณสมบัติของพระอราหารันต์ท่านเรียกว่าตาที่โนคือคงที่คงที่ก็เป็นในงนั้นแหละเราก็ปรับใจได้เราคงที่เราก็ไม่หวั่นไหวอะไรแต่ระดับเดิมมันสังเกตว่า จิตใจของบุคคลถ้าปลูกฝังให้มีความเข้มแข็งโดยจับหลักวิปัสนาให้ได้สักจุดหนึ่งเราจะทำใจให้คงที่ได้ในบางอารมณ์จะอาจจะในหลายเรื่องหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายอารมณ์ด้วยกันที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงคุณลักษณะว่าจิตใจไม่หวั่นไหวทั้งในายามประสบความสุขและในายามประสบความทุกข์โดยตามปกติแล้วใจคนจะหวั่นไหวหาคนยากที่ไม่หวั่นไหว แต่ในท่ามกลางคนที่หวั่นไหวอยู่นั้นเราจะพบว่ามีคนเป็นอันมากที่ไม่หวั่นไหวแว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรก็ตามเช่นมีการจราจนวุ่นวายนั้นที่จริงถ้าเราสังเกตในหมู่คนแล้วคนที่วิ่งลักษณะตื่นหนุกไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคือบางคนก็เดินแบบธรรมดาบางคนก็ยืนสังเกตการณ์ในทาไป มันแสดงลักษณะ ส, สภาพใจของคนที่มีความแตกต่างกันเวลาแสดงอาการ เ, ออเวลาเหตุการณ์ต่างๆมันวิกฤตขึ้นมานั้นที่จริงคนไม่ได้วิกฤตไปตามเหตุการณ์นั้นทั้งหมด <c oughs> เพียงแต่ว่ามวลชนมันสับสนเราดูไม่ออกเท่านั้น <c oughs> มีคนเป็นอันมากที่ไม่ตื่นเต้นไม่ตระหนุกก็ก็ยืนดูด้วยความสงมบเยือกเจน็นแล้วก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นนั้นก็มีอยู่เป็นอันมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นวิปัสนาจึงเป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี สำปแต่วันนี้ก็ขออยุ่ติดไว้ด้วยเวลาเพี ย, ยงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเติอน